ศึกษาร่วมกับพิสุชาวลังกาในคราวนั้นยังมีพิสุรูปหนึ่งชื่อว่าพระติสาท ต, ตะได้เรียนพระพุทธวจนะเป็นภาษาสิงหลนในเมืองลังกาจบแล้วปรารถนาจะเรียนพระพุทธวจนะอันเป็นภาษามาคตจึงโดยสารสัมเพามาสู่สำนักพระธรรมรักิตะนี้เมื่อกราบไหว้แล้วจึงกล่าวว่า กระผมมาจากที่ไกลขอท่านจงบอกพระพุทธวจนะให้แก่กระผมด้วยเถิดลำดับนั้นพระธรรมระคิตะจึงบอกพระนาคเสนว่าเธอกับพระติสัตตะควรเรียนพระพุทธวจนะด้วยกันจะได้เป็นเพื่อนสาธยายด้วยกันอย่าร้อนใจไปเลยพระนาคเสนจึงกล่าวว่ากระผมมิอาจที่จะเรียนพระพุทธวจนะ พร้อมกันด้วยคําภาษาสิงหลนได้ด้วยพระติดตะทศัศนนี้เจรจาเป็นภาษาสิงหลนเป็นคําถามว่าเหตุไฉนเมื่อพระอาจารย์ว่าจะให้พระติดสะทัตตะกับพระนาคเสนเรียนพระพุทธวจนะพร้อมกันพระนาคเสนนั้นว่าไม่เรียนพร้อมกันด้วยพระติดสะทัตตะ กล่าวคำภาษาสิงหลนวงเล็บเปิดอันเป็นภาษาของชาวลังกาวงเล็บปิดแก้ความนั้นว่าพระนาคเษนเข้าใจว่าอาจารย์คงจะบอกพระพุทธวจนะเป็นคำภาษาสิงหลนด้วยภาษาสิงหลนี้เป็นคำวิเศษกลัวว่าชาวประเทศสาครราชธานีจะไม่เข้าใจ พระนาคเสสนั้นตั้งใจจะเรียนพระพุทธวจนะที่จะให้เข้าใจของชาวสาขระนครมีพระเจ้ามิรินเป็นประธานพระธรรมรักิตะจึงบอกขึ้นเป็นอีกครั้งที่สองว่าเธอจงเรียนพร้อมกับพระติสัทตะเพราะพระติสัทตะเป็นบัณฑิตไม่ใช่ผู้ไม่รู้จักภาษาพระนาคเสสนจึงคิดได้ว่า อาจารย์คงไม่บอกเป็นภาษาสิงหลดอกอาจจะบอกเป็นภาษามาคตเราผิดเสียแล้วจะต้องขอโทษพระติสะัทะัตตะเมื่อพระนาคเษนคิดได้อย่างนั้นจึงกราบขอโทษแล้วเริ่มเรียนพระพุทธวจนะพร้อมกันโดยเรียนอยู่สามเดือนก็จบพระไตรปิฎกซักซ้อมอีกสามเดือนก็ชำนาญฝ่ายพระธรรมรกิตะเห็นพระนาคเษน ยังเป็นปุทุชนอยู่จึงปีเถระวาจาเป็นทางจะให้รู้โดยคำอุปมาว่านี่แน่น่าเคศรธรรมดาวะนายโคบาลได้แต่เลี้ยงโคไม่ได้รู้รสแห่งนมโคมีแต่ผู้อื่นได้ดื่มรสแห่งนมโคฉันใดปุทุชนที่หนาแน่นไปด้วยกิเลสถึงแม้จะทรงพระไตปิดด ก็ไม่ได้รู้รสแห่งสามันผลคือมักผลอันควรแก่สมณะเปรียบเหมือนกับนายโคบานที่รับจ้างเลี้ยงโคและรีดนมโคขายแต่ไม่ได้เคยริ้มชิมรสแห่งนมโคฉะนั้นพระนาคเสนได้ฟังคำเช่นนั้นก็เข้าใจจึงมีวาจาว่าคำสั่งสอนของท่านเท่านี้พอแล้วขอรับ ท่านกล่าวเพียงเท่านี้แล้วก็ลามาสู่อาวาสต่อมาก็ได้พยายามเจริญสมถะและวิปัสสนากรรมฐานไม่ช้าก็ได้สำเร็จพระอระหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิธาญาณในเวลากลางคืนอันเป็นวันที่พระธรรมรคกิตะให้ในนั่นเองในขณะที่พระนาคเสนสำเร็จพระอระหันต์นั้น ได้เกิดเหตุอัศจรรย์แผ่นดินอันใหญ่นี้ก็บรรลือดั่นวันไหวทั้งมหาสมุทรสาครก็ตีฟองนองระรอกยอดภูเขาก็โอนอ่อนโยครอนไปมาเทวดาอินพรมทั้งหลายก็ตบมือสาธุ ก, การหาฝนทิพจุณจั น, น, จน์และดอกไม้ทิพก็ตกลงมาบูชาในการนั้น